คือศีลทั่วไปเป็นศีลห้าศีลแปดอย่างนี้ศีลที่เป็นเพศอันหนึ่งเพื่อประกาศเพศก็ต้องมีเรื่องให้ประกาศเป็นกฎเกณฑ์อันหนึ่งขึ้นมาตามหลักข้อนี้ไหนเป็นศีลเนรศีลพระไงแต่สุดท้ายก็เจตนาก็อันเดียวกันไม่ได้มากมายกายคองอะไรทไมพิธีก็อา้าถวายทานก็ฟ่ากันจนกระทั่งหมดคัมภี์บางที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 ผ่านการปฏิบัติแล้วเราจะเห็นว่าอะไรมันทำให้เสียเวล า, วลาอะไรมันจริงอะไรมันปลอมหรืออะไรมันยืดเยื้อ่อจะเข้าถึงตัวจริงเนี่ยโอ้โหเป็นชั่วโมงๆั่วโมงอย่างนี้ไม่ทราบทำเพื่ออายอายนีพนั้นในวงกรรมฐานท่านถึงไม่ค่อยมีเรื่องพิธทีทีตองอะไรอยากจะพูดว่าไม่มีแต่ว่าไม่ค่อยมีวางมันพอเหมาะ บางทีก็ต้องอารวมผ่อนผันทั้งทั้งที่ก็ทราบอยู่แล้วมันก็มีเพื่อจิตใจผลถ้าเ ด, เดินไปตามนั้นอ้าจิจใจนี้การจะเป็นประโยชน์มันก็เป็นโทษไปรเสียอพอผ่อนผันระยาก็ผ่อนไปบ้างในวาระต่อไปก็เตือนกันค่อยบอกกันให้รู้ลงรู้ลาวอ้าวันนี้เ็นื <laughs> ่ รือไม่เต็นเรื่องนี้หรือเท็มบ้างไงสองหมุ น, นสามหมุนนหมความเอาจริงเอาจังเอาหลักออกเด่นของพระพุทธศาสนาเราจะเห็นได้ในขณะที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนสาวกตั้งกต่เริ่มข้าบวชเป็นเริ่มความจริงจังขึ้นในขณะบวชแต่ก่อนเอหิปิขุประสัมปท า, าท่านจะเป็นพิคุมาเถิด